ในคำภีพุทธวงศ์วงของพระสุชาตะพุทธเจ้าที่12พระพุทธเจ้าพระนามว่าสุชาตินั่นพุทธะเราก็รู้แล้วความหมายว่าพระองค์ผู้รอบรู้กองทุกทั้งมวลด้วยปริญญารอบรู้สมุทัยทั้งมวลด้วยมหานะรอบรู้นิโรธด้วยการทำให้แจ้งรอบรู้อริยมรดด้วยการเจริญ นัคําว่าพุทธะหมายถึงการแทงตลอดอริยสัจนั่นเองอพระพุทธเจ้าผู้แทงตลอดอริยสัจโดยถูกต้องโดยลําพังโดยพระองค์เองโดยเพราะความที่พระองค์เป็นผู้สั่งสมบูรณ์มามากนะเนะี่ยมีพระนาม ว, ว่าสุชาติหรือสุชาตะชาตะก็คือการเกิดนะนีสุชาติก็แปลว่าเกิดดีพระพุทธเจ้าพระนาม ว, ว่าสุชาติก็มีความหมายว่า พระองค์นั้นเป็นผู้มีพระรู ป, ปกายเกิดดีหรือว่าพระองค์นั้นมีพระชาติที่บริสุทธิ์นนะนเกิดดีแล้วหรือว่าผู้มีมีความเกิดโดยการเกิดที่บริสุทธิ์หรือว่าเป็นการเกิดของพระองค์เพื่อเพื่อความบริสุทธิ์ของสัรพสารนั่นเองในมันดกับ น, น, นะนที่จริงคำว่ามันดกับแล้ว่ากับที่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสององค์ ในกลับเดียวกันนี่มีพระพุทธเจ้าพระนามว่าสุเมทะและพระนามว่าสุชาตะนั้นได้เกิดขึ้นทันในมันดกับกับที่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสององค์พระองค์นี้เป็นพระองค์ที่สองมีพระนามว่าสุชาตะพระองค์เป็นผู้นำโลกคําว่านําโลกก็คือนําโลกออกจากทุกข์นําโลกให้พ้นจากทุกข์เพราะอะไรเพราะว่าพระองค์นั้น เป็นผู้ที่พ้นโลกแล้วเนี่ยนะพ้นเครื่องพันธนาการที่ผูกมัดรัดเอาไว้ในโลก mm hmm. พระ อ, องค์เป็นผู้ชนะโลกเห็นคว่าชนะโลกหมายคำว่าชน ะ, ะสงครามเป็นผู้ที่ไม่พ่ายแพ้ปราชัยในอันนะั้นคือไม่มีจิตใจที่สยบให้แก่โลกข้ามพ้นจากโลกนั้นพระ อ, องค์นั้นเป็นลนักษณะอย่างที่เราคุ้นเคยกันก็คือสัญลักษณ์คือดอกบัวผู้เจริญเติบโตในโลก แต่ก็ไม่แปดเปื้อนด้วยโรคนั้นพระองค์จึงเป็นผู้ที่ไม่มีความทุกข์เนี่ยนะเป็นผู้ปราศจากความทุกข์พระผู้มีพระภาคพระนามวาสุชาตาเนี่ยนะมีพระหานุคือคางหานุนี่แปลว่าคางเหมือนอย่างคางราชสีลำลำพระศอรหรือคอของพระองค์ก็เหมือนกับคอโคสพระเนี่ยนะ อโค้กโคหัวหน้าฝูงพระองค์นั้นเป็นผู้มีพระคุณหาประมาณไม่ได้และเป็นผู้ที่บุคคลเข้าเฝ้าได้ยากผู้มีบุญนี้คนเข้าใกล้ยากมากนั่นพระองค์นั้นมีคางเหมือนราชสีห์ทั้ใครเห็นราชสีห์ก็สามารถที่จะระลึกถึงพระพุทธเจ้าได้ว่าคางของพระองค์นั้นเช่นนั้นคำว่าเหมือนนี่ไม่แปล ว, ว่าใช่นะคนละอย่างเพราะราชสีห์เป็น เดระฉานพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าหมายถึงพระวรากายที่สมส่วนที่งดงามนั่นเองถ้าสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรุ่งเรืองด้วยสิริย่อมสง่างามทุกเมื่ อ, อคําว่าสิรินั้นเป็นเชื่อของศรัทธาบางแห่งนั้นสิริเป็นชื่อของมีศรัทธาพระองค์นั้นเป็นผู้ที่มีศรัทธาถ้ายกย่องศรัทธาขึ้นมาก็แสดงว่าพระองค์มีวิริยะพระองค์มีสติพระองค์มีสมาธิพระองค์มี ปัญญาความที่พระองค์มีคุณธรรมเป็นผู้สั่งสมบุญมามากพระองค์จึงรุ่งเรืองและก็งามสง่าปราศจากความคลั่นคลามปราศจากความหวาดวันปราศจากความสะดุง้งนะเพราะว่าพระองค์เป็นผู้ที่เข้าถึงความสุขที่สุดพระองค์เป็นผู้ที่มีความสุขที่สุดนั้นพระองค์จะอยู่ณที่ใดเมื่อใดอย่างไรพระองค์ก็มีความสุขนะคนที่ไม่สง่าก็คือคนที่กําลัง อมทุกหรือคนที่กำลังมีทุกคนที่กำลังเดือดร้อนพระพุทธเจ้าเป็นผู้ไม่เดือดร้อนเป็นผู้ที่ไม่เร่าร้อนอนะพระองค์มีแต่ความผุดผ่องเหมือนดวงจันทร์หมดดวงจันทร์ที่หมดจดไร้มนถินมันเหมือนอย่างว่าดวงจันทร์ที่ปราศจากราหูดวงจันทร์ที่ปราศจากเมฆหมอกเป็นต้นมาปิดบังนะลอยเด่นมองเห็นได้ชัดฉันใด เป็นดวงจันทร์ที่งามสง่าฉันใดพระพุทธเจ้าก็ฉันนั้นโปร่งนั้นเป็นผู้ที่หมดจดดุดดวงจันทร์ในท้องฟ้าหรือเหมือนกับดวงอาทิตย์ที่ส่องแสงที่ร้อนฉะ น, นั้นดวงอาทิตย์มีเดชกล้ายามเที่ยงวันฉันใดพระพุทธเจ้าก็มีเดชฉันนั้นเนี่ยนะเหมือนกับพระอาทิตย์ในยามเที่ยงวันพร้อมที่จะ ผเผดเผาสิ่งอื่นแต่ในที่นี้หมายถึงว่าแผดเผาเอาวิชชาแผดเผาโมหะขจัดความไม่รู้นะดวงอาทิตย์ส่องแสงแห่งความร้อนแต่พระพุทธเจ้าส่องแสงแห่งปัญญามองทุกอย่างที่ทะลุโ ป, ปร่ปปรงนะตลอดบริสุทธิ์บริบูรณ์อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แต่การเห็นของพระพุทธเจ้าเหมือนอย่างว่าดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ยามกลางวันที่ส่องสว่างก็เพื่อประโยชน์แก่ ดวงตาของชาวโลกฉนันใดปัญญาของพระพุทธเจ้าก็เพื่อประโยชน์แก่ธรรมจากสุกแก่ชาวโลกฉะนั้นฉันพระองค์นั้นส่องแสงให้สัตว์ทั้งหลายเห็นอริยสัตว์นะตรัสรู้ธรรมที่พ้นจากความทุกข์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามวสุชาตะเมื่อพระองค์บรรลุพระโพธิญาณอันสูงสุดสิ้นเชิงโพธิญาณที่สูงสุดนั้นหมายถึง อ, ร ห, อรหัตอรหัตตมัคคายานเป็นที่ตั้งแห่ง อรหัตผลยานเป็นที่ตั้งแห่งสัพพัญยุตยานเป็นเหมือนกับราชาพิเศษแต่ว่าอภิเศกเป็นพระธรรมราชาเนี่ยนะเป็นเจ้าของแห่งธรรมนะเป็นผู้คำว่าธรรมราชาแปลว่าผู้สงเคราะห์สรรพสัตว์ด้วยธรรมเนี่ยนะคำว่าพระราชาแปลว่าผู้สงเคราะห์ประชาชนด้วยสังคหาวตถุทานปิยวาจาอัตจริยาสมานตตาฉันใดาพระพุทธเจ้าก็ให้ธรรมทาน ฉะนั้นพระองค์เนี่ยให้ธรรมทานแก่สัพพะสัตถ์ทั้งหลายแล้วก็พระองค์นั้นตรัสธรรมทานก็ตรัสด้วยวาจาอันเป็นที่รักไม่ได้ดุดันเป็นพระวาจาที่ไพเราะเนี่ยนะฟังแล้วสนอโอษดแล้ววาจาของพระองค์ทั้งหมดปฏิบัติเพื่อประโยชน์แก่สัพพะสัตถ์ทั้งหลายเนี่ยนะแล้วพระองค์ก็เป็นผู้ที่มีความสมัมั่นคงสม่ำเสมอเพราะเป็นผู้ที่คงที่แล้วถึงความคงที่ที่สุดนะ เมื่อพระองค์บรรลุความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคําว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็หมายความว่าพระองค์นั้นได้รับการอภิเสกมีพระคุณแล้วว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณนะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโร r ปุริสธรรมสารเถสัตถาเทวมนุษย์สานังพุทโธพระกวาติเขาบอกว่าการมองอคนที่มองพระพุทธรูปส่วนใหญ่จะมองที่ไหน นะบางทีก็มองที่พระพักบางทีก็มองที่พระเนตรนะเป็นต้นแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าถ้าหากว่ามองถึงพระเนตรก็คือดวงตาของพระพุทธเจ้าอย่างพระพุทธรูปทั่วไปเนี่ยนะเมื่อเรามองเห็นเนี่ยเรามองเลยไปหาพระคุณด้วยหมายว่าเมื่อพระองค์มองเห็นเนี่ยพระองค์เป็นผ้าหันนะผ้ารหันมองเนี่ยไม่มีอกุศลเลยนะมองด้วยจิตที่ปราศจากราคะโทสะและโมหะเนี่ยนะ เพาพระองค์กําจัดราคะโทสะและโมหะได้แล้วนะมองแบบคนไม่มีกรรมนะมองแบบคนทําลายกรรมมองแบบคนที่คู่ควรแก่การสักการะบูชานะเป็นผู้ที่น่าเคารพนะเพราะว่าดวงตาของพระอรหรันต์เนี่ยนะพระอรหันต์เนี่ยท่านคิดอย่างไรแล้วพระอรหันต์พระองค์นั้นก็เป็นพระอรหันต์ตรสัมมาสัมพุทธเจ้านะ พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสรู้อะไรนะเดี๋ยวจะไปละให้เป็นรายคนออกมาเล่าให้ฟังว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรตอบไม่ดีก็ให้เฝ้าต้นโพจนกว่าจะรู้นะมนพระองค์นั้นเป็นพระอรหันตเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เพียรพร้อมสมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะนะผู้เสร็จไปดีแล้วผู้รู้แจ้งโลกผู้ฝึกสารถีที่สมควรฝึก ได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกทมสั่งสอนสัตว์อันนี้เราก็แปลแต่สัพท์เป็นหัวข้อหัว ข, ข้อขึ้นมาโดยที่แท้แล้วพระคุณของพระองค์นั้นจะกล่าวพรรณนายกย่องชมเชยนะชีวิตเราคงหมดไปก่อนพระคุณของพระองค์ก็ไม่หมดนะเพราะว่าพระองค์เป็นผู้ที่ทรงคุณที่ยิ่งใหญ่จริง แต่พระคุณของพระองค์ทั้งหมดเนี่ยนะถามว่ามีเพื่ออะไรก็เพื่อจะประกาศอริยสัจธรรมนะให้เขามีความมั่นใจในพระองค์ว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ที่ข้ามเสร็จแล้วพร้อมที่จะช่วยให้ผู้อื่นข้ามพระองค์ตรัสรู้แล้วพร้อมที่จะช่วยให้ผู้อื่นตรัสรู้พระองค์แทงตลอดอริยสัจครบถ้วนแล้วนะพระองค์ประสงค์จะให้ผู้อื่นตรัสรู้อริยสัจตามด้วย พันพระองค์นั้นจึงประกาศพระธรรมจักการประกาศพระธรรมจักก็คือมุนอริยศาสตร์นั่นแหละสแสดงอริยศาสตรให้เป็นไปพระพุทธเจ้าพระนามว่าสุชาติก็สแสดงพระธรรมจักณกรุงสุมังคนเนี่ยนะกรุงสุมังคลเนะเรียกว่าเมืองนี้มีมงคลดีแปลว่าประชาชนในเมืองนี้นิยมเจริญมงคลนะปฏิบัติตามมงคลศาสนาของพระสุชาติพุทธเจ้าผู้นำโลก ที่พระองค์ทรงแสดงธรรมะอันประเสริฐโดยเฉพาะธรรมะอันประเสริฐเป็นชื่อของอะไรอริโยอัตถังคิโกมาโคเนี่ยนะอริยะหมายถึงอริยมรรคมันพระองค์นี้แสดงธรรมอันประเสริฐคืออริยมรรคประกาศอธิศีนอธิจิตอธิปัญญาซึ่งถ้าผู้ใดปฏิบัติไตรสิกขาครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์ก็แทงตลอดอริยมรรคตรัสรู้อริยมรรคอริยมรรคนี่แหละที่เรียกว่าโอปะนายโกควรน้อมให้มีในใจ พระองค์นั้นแสดงอริยมรรคขณะที่พระองค์ประกาศอริยมรรคก็มีสัตว์ที่ปฏิบัติอริยมรรคตามพระองค์มีผู้ตรัสรู้80โกิบโกจากการประกาศอริยมรรคอันนั้นพระองค์ประกาศอธิศีนอธิจิตอธิปัญญารอบรู้กองทุกละสมุทยัยทมนิโรธให้แจ้งเขาทำตามได้เลยมีผู้ที่ทาตามได้ที80โกธเนี่ยนะก็ผู้ที่เขาสั่งสมบุญมา พร้อมที่จะรู้ตามพระพุทธเจ้าขอให้พระองค์บอกเธอขอให้พระองค์สอนเธอพร้อมที่จะรู้ตามพร้อมที่จะเห็นตามพร้อมที่จะคิดตามพร้อมที่จะพูดตามพร้อมที่จะปฏิบัติตามผู้ที่พร้อมจะรู้ตามพร้อมที่จะเห็นตามพร้อมที่จะตระสุตรสรู้ตามพร้อมที่จะใช้กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมตามพระพุทธเจ้าอย่างที่พระองค์แนะนาสั่งสอนเรียกว่าระสาว o พันสาวกเหล่านั้นก็มีการตรัสรู้รมตามพระพุทธเจ้า80บโกรธเนี่ยนะครั้งพระสุชาติพุทธเจ้าผู้มีบริวารยศหาประมาณไม่ได้ก็แปลว่าหลังจากที่พระองค์ประกาศพระธรรมจักให้เป็นไปนั้นเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายโดยเฉพาะเทวดานั้นที่ตรัสรู้นี่หาประมาณไม่ได้ในโลกสามานะใน โลกคาว่าโลกสามก็คือกามโล ก, โล ก, โลกรูปปโลกและอรูปปโลกนะกที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าขณะเดียวกันก็ยังแผ่ไปหมื่นจั ก, กรวาลอางนั้นนะพระองค์มีบริวารพระองค์มียศหาประมาณไม่ได้ก็เนื่องจากว่าเทวดาทั้งหลายเนี่ยน ะ, ะที่มาจากสวรรค์ชั้นต่างๆเทวดาทั้งหลายที่มาจากโลกธาตุต่างๆที่มาจากจักรวาลต่างๆ แร่ไปเนี่ยนะประมาณ80ดิโกรจากการตรัสรู้ครั้งแรกเนี่ยถามว่าพราะองค์มีบริวารเท่าไหร่มีประเทศไหนมีประชาชน80ดิโกรมังไอีเนี่ยนะแปดสิบโกรปดสิบโกรเท่าไหร่แ800ดร้อล้านใช่ก็นั่นแหละมีประชาชนมากมายกันนะทุกวันนี้มีนะบางจีนนี่ก็เกินนั่นแหล ะ, ะประมาณอ่อินเดียอ่าน้องๆ อ, อินเดีย น, นิดหน่อยเนี่ยนะ มันมีผู้ที่ก็ตรัสรู้มากมา ย, น, ยนะนะเรียกว่าสอนทีบรรลุกันเยอะเลยครั้งพระสุชาตผพุทธเจ้าผู้มีบริวารยศหาประมาณไม่ได้เนี่ยสเสด็จจำพรรษาณนเะทวโลกคือในดาวดึงสมัยที่สองได้มีการตรัสรู้แก่สัตว์ประมาณส00 7มล้านเจดแนพอมาว่าไม่มากนะประชาชนที่ตรัสรู้เนี่ยไม่มากแต่ก็ถือว่าเยอะละ่างั้นเถอะถ้า ถ้าเทียบกับในแง่สัตว์ประสัตทั้งหลายที่หาประมาณไม่ได้สมล้านกว่านี้ถือว่าไม่มากสามล้านเจดแสนเทวดานะเพราะพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยแสดงที่บรรลุหลายหมื่นโกดเนี่ยนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าไม่มีความสามารถนะฟังว่าสัตว์บรรลุเท่านั้นบรรลุเท่านี้นบรรลุจํานวนตัวเลขผู้ฟังบรรลุนั้นมากหรือน้อยไม่ใช่หมายถึงว่าพระองค์ไร้ความสามารถ ที่จะช่วยให้เขาบรรลุแต่หมายถึงว่าสรพรพศาสตร์ทั้งหลายไร้ความสามารถที่จะตรัสรู้ตามเขาไม่มีบุญพอที่จะตรัสรู้ตามไม่ใช่พระองค์ทําไม่ดีแต่เขาดีไม่พอนะไม่ใช่พระพุทธเจ้าแสดงไม่ชัดแต่เขาจะแต่ตาของเขาไม่ดีก็เลยไม่เห็นอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนแต่ก็ผู้มีผู้ที่พอจะรู้พอจะเห็นพอที่จะตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้า ครั้งพระสุชาติพุทธเจ้าผู้ไม่มีผู้เสมอเสด็จเข้าไปเฝ้าพระชนกก็เหมือนกับพระพุทธเจ้าของเราไปเฝ้าพระเจ้าสุทโธธนะเนี่ยนะอภิสมัยครั้งที่สามก็ได้มีแกรรษัตริย์ประมาณหล้านพระสุชาติพุทธเจ้าผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่คําว่าสแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ก็คือสแสวงหาการทําลายบาปอากุศล สแสวงหาการทำลายสังสารวัตแสวงหาการทำลายวัตตะสแสวงหากุศลแล้วก็สแสวงหาพระนิพพาน น, นะก็ถ้าคิดแบบง่ายๆก็คือสแสวงหาเพื่อการกำหนดรอบรู้วัตถทุกข์โดยประการทั้งปวงนั่นเองสแสวงหาการพรากจากสมุทัยบาปอากุศลธรรมทุกชนิด น, นะสแสวงหาความว่าคุณธรรมที่นำออกจากวัตตะอยู่ที่ไหนคุณธรรมเหล่าใดที่นำออกจากวัตตะเนี่ยนะ พระ อ, องค์ก็สแสวงหาคุณเหล่านั้นอันที่สำคัญที่สุดเน้นพิเศษก็คือคุณธรรมที่นำออกจากวัตตะซึ่งพระ อ, องค์ก็สแสวงคุณเหล่านั้นและก็ประสบคุณเหล่านั้นพระ อ, องค์เป็นผู้มีคุณเช่นนั้นพระ อ, องค์นั้นมีสาวกสนิบาตการประชุมพระสาวกทั้งหลายนะผู้พระขี่นาศบไร้มนทินมีจิตสงบผู้คงที่เนี่ยสามครั้ง สาวกสันนิบาตประชุมอรหันตสาวกเนี่ยนะสามครั้งคำว่าสาวกนั้นหมายถึงว่าผู้ฟังแล้วปฏิบัติตามเห็นตามอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เลยเรียกว่าสาวกผู้นับถือก็ยังไม่เรียกว่าสาวกนะอย่างถ้าอุบาสกอุบาสิกาภิกษุทั่วไปที่ยังไม่เห็นอริยสัจตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าบุคคลเหล่านี้ยังไม่เรียกว่าสาวก ผู้ที่เป็นสาวกนั้นต่อเมื่อฟังอริยสัจแล้วเห็นอริยสัจอย่างที่พระพุทธเจ้าบอกอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนนั่นแหละจึงเรียกว่าสาวกถ้าไม่เห็นอริยสัจก็ยังไม่เรียกว่าเป็นสาวกก็ยังนับว่าคนนอกอยู่นะนะคนนอกคําว่านอกก็คือนอกอเรียกว่านอกพระราชวงศ์อะนะ อันนี้นอกพุทธวงศ์หรือว่นอกนอกผู้ที่รับอริยทรัพย์มรดกจากพระพุทธเจ้าที่เป็นโลกุตรรทรัพย์มันเขายังไม่ได้มรดกที่เป็นโลกุตรรทรัพย์เขาก็ไม่ใช่ทายาทที่แท้จริงของพระองค์ส่วนพระทหารเนี่ยเป็นทายาทที่สูงสุดเนี่ยนะได้รับเรียกว่าเป็นพระราชโอรสที่อภิเสกแล้วอภิเสกในตําแหน่งอรหัตตมัคอรหัตตพนเป็นธรรมทายาทรับมรดกโลกุตรรธรรมจากพระพุทธเจ้า พระอรหันตสาวกเหล่านั้นเนี่ยนะพูดถึงกำลังแห่งอภิญยาคำว่าอภิญยาก็คือความรู้ยิ่งก็หมายถึงอภินยยะตรัสรู้ธรรมที่ควรรู้ยิ่งควรรู้ยิ่งโดยแง่มุมใดพระอรหันต์ทั้งหลายก็รู้ยิ่งโดยแง่มุมนั้นแต่ว่าโดยทั่วๆไปจะนิยมว่าอภิญยาหกเช่นนะอิธิปาฏิหาริรษฐ์ได้ น, นะมีหูตาก็เป็นตาทีมีหูก็เป็น หูทิพย์เนี่ยนะมีตาก็เห็นได้ทุกอย่างถ้าประสงค์จะเห็นมีหูก็สามารถที่จะฟังได้ทุกอย่างถ้าประสงค์จะฟังนะมีใจก็รู้ใจของผู้อื่นทั้งหมดที่เขาคิดอะไรนะรู้วาล จ, จิตของผู้อื่นถ้าพูดถึงอดีต ท, ท่านก็ระลึกได้อย่าว่าแต่ชาตินี้เลยหลายแสนกับท่านก็ระลึกได้เป็นแสนกับท่านก็ระลึกได้อนาคตหรือโดยกรรมและผลของกรรมต่อไปในอนาคต ท่านก็มองเห็นแต่ที่สําคัญที่สุดเห็นแล้วพ้นทุกข์คือเห็นอริยสัจทั้งหลายนั้นอภินญาหประการนั้นข้อสุดท้ายคือการแทงตลอดอริยสัจเนี่ยนะทำอาสวะให้สิน้นคําว่าอารหันเนี่ยแปลว่าผู้สมควรผู้สมควรแก่การเคารพสการะควรแก่การกราบไหว้ยกย่องสรรเสริญสาวกของพระองค์เนี่ยนะเป็นผู้ไม่ถึงทร้อมในภพน้อยภพใหญ่แปลว่า แปลไทยเป็นไทยอีกครั้งหนึ่งแปลว่าท่านไม่เกิดในการมมาพบอีกต่อไปท่านไม่เกิดในรูปประพบท่านไม่เกิดในอรูปประพบชีวิตของท่านไม่เป็นไปในวัฏฏะอีกแล้วหรืออีกในหนึ่งก็บอกว่าท่านไม่เสนอตัวไปในวัฏฏะอีกต่อไปเนี่ยนะไม่เสนอแล้วบอกคืนวัฏฏะแล้วบอกคืนการเกิดในคันเกิดในไข่เกิดในเท่าใคยเกิดในโอปปาติกะบอกคืนนรกเปรตอสุรกายเดรชามนุษย์เทวดา บอกคืนอบายทุกขติวินิบาตนรกบอกคืนบอกคืนการมาพบรูปประพบอารูปประพบบอกคืนตาหูจมูกลิ้นกายใจหมดเกลี้ยงไม่เหลือบอกคืนรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณไอคืนนี่ไม่ใช่คืนกันง่ายๆนะลองปวดหัวดิคืนบอกไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วคืนง่ายไม่ธรรมดาเนี่ยนะนั่งเลื่อนนะปวดหลังเนี่ยนะบอกคืนกันง่ายๆได้ง่ายเลยแต่พระพุทธเจ้าบอกคืนว่าผ้าอาหัรต่างๆท่านบอกคืนวัตะได้อะ ท่านเอาอะไรมาเป็นตัวบอกคืนได้มัน้นตัวคําประกันให้คืนได้เลยเนี่ยนะตัดขาดส่งคืนโดยไม่อะไรด้วยอนุภาพของอริยมรรคนั่นเองที่ตรัสรู้พระนิพพานเนี่ยนะอริยมรรคที่ตรัสรู้พระนิพพานนั้นบอกคืนพบน้อยพบใหญ่บอกไม่เอาละวัวตตาในภูมิสามร้ายกาจเละเกินโหร้ายเนี่ยนะผ้าหัน์เหล่านั้นที่เป็นสาวกฟั ง, ฟงอริยสัจจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจตามพระพุทธเจ้า ประมาณหล้านรูปก็ประชมุมเรียกว่าสาวกสันในบาตการประชุมพระอาหารหันต์ฟังโอวาทปาติโมกเนี่ยนะขันตีปรมังตะโปตีติขาเนี่ยนะขันติคือความอดกลั้นเป็นตะบะเครื่องนะเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งท่านผู้รู้ทั้งหลายกล่าวว่านิพพานหรือว่าพระพุทธเจ้าทุกท่านพระพุทธสาวกปัจเจพุทธสาวก ปจเจกับพุทธะสัมมาสัมพุทธะท่านบอกว่านิพพานเนี่ยปรมังสูงสุดสุดยอดแล้วเลยเรียกว่าปรามัิอันนิพพานเนี่ยเป็นปรมัติมันสูงที่สุดมันดีที่สุดลึกซึ้งนะแล้วก็ผู้ทำร้ายผู้อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะผู้เบียดเบียนผู้อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นมันประชิดนะการไม่ว่าร้ายการไม่ทำร้ายอนุปวาโทอนุปคาโต ปาติโมกเคจะสังโรเนี่ยการไม่ว่าร้ายการไม่พูดร้ายการไม่ทำร้ายการสารวมในพระปาติโมกการรู้ประมาณในโภชนะการนั่งการนอนบนที่นั่งที่นอนอันสงัดเนี่ยนะสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดการประกอบในอธิจิตดังที่กล่าวไปเรียกว่าคาสอนของพระพุทธเจ้าแต่สาระที่สำคัญของโอวาทปาติโมกก็คือ สัพปาปาัสสการนังกุสลสูปรสสัมปทาสัจิตตประโยชธปนังเอตังพุทานาาสนังเนี่ยนะก็แปลว่าแนะปลว่าอะไรสัพปาปัสสการนังก็คือการไม่ทำอกุศลทุกชนิดเนี่ยนะการไม่ทำสิ่งที่มีโทษทั้งในปัจจุบันและสัมปรายภพการไม่ทำพิษทำภัยทำทุกทำโทษให้แก่ตนและผู้อื่น นะการไม่สร้างพิษภัยทุกโทษให้เป็นให้มีขึ้นในปัจจุบันและต่อต่อไปเพราะฉะนั้นอย่าสร้างอะไรที่มันมีพิษแปลภาษาอย่ากินยาพิษอย่านะอย่าทอย่าสร้างพิษขึ้นในจิตในใจที่ด้วยบาปอากุศลธรรมทั้งหลายนะอย่าทำสิ่งเลวร้ายให้เกิดขึ้นกุศลสูประสัปสมปทาเจริญกุศลรธรรมให้ถึงพร้อมกุศลธรรมไม่ว่าจะเป็นสมถวิปัสนา เป็นต้นก็เจริญให้ถึงพร้อมนะให้ให้บริบูรณ์ให้มันสมบูรณ์ที่สุดเลยแหละนะสัจจิตตปรโยวทัพ ป, ปนังทำชำระจิตของตนให้เขารอบนะหมายถึงอรหัตผลชำระให้มันเรียบร้อยเนี่ยนะก็นั่นแหละอโศกังวีระชังเคมังนั่นแหละชำระให้มันได้ขนาดนั้นนะจิตต้องว่าโลกธรรมถูกต้องแล้วต้องไม่หวั่นไหวทั้งหมดที่กล่าวนี้เรว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าอะไรเรียกว่าโอวาทปาติโมกย์อยู่นะ การที่พระองค์ประกาศโอวาทปาติโมกนั้นสาวกประชุมกันครั้งแรกประมาณหกล้านรูปในสันนิบาตต่อมาเมื่อพระชนะพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลกชั้นไตรทศสาวกสี่แสนรูปก็ประชุมกันเป็นครั้งที่สองประมาณ4ี่แสนรูปบอกโอสาวกสันนิบาตมาประชุมกันยเยอะแยะแต่ถ้าหากว่าเราดูจากภาพผู้ประท้วงเลยไม่แปลกใจ นะคือเมื่อมีการชุมนุมเนี่ยนะเช่นโดยเฉพาะบ้านเราไม่เท่าไหร่ต่างประเทศเนี่ยเห็นชัดเนยนะมันมากบางบา ง, บางสมาคมที่เขามาประชุมกันเนี่ยล้านกับคนนีไงนะมันเออัดยัดเยียดมองเห็นมองเห็นแม้กระทั่งถนนที่มันใหญ่โตมันเต็มไปหมดเลยคนเป็นล้านล้านกว่าเนี่ยนะประชุมกันทีเป็นล้านอย่างการเลิกยุติสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยนะประชาชนมาชุมกันเป็นล้านเลยอ่ะ มาดีใจมาโหร้องอะไรนะีแม้กระทั่งว่ามีปัญหามีอะไรมีผู้ออกมาชุมนุมเนี่ยเยอะนะไอ้คำว่าชุมนุมนี่อะไรเรียกว่าสันนิบาตก็คือการประชุมการมาแต่ว่าอันนี้โดยสงบเป็นการโดยทั่วๆไปเป็นการประชุมเพื่อเพื่ออะไรก็แล้วแต่แต่ในทางคําสอนก็ประชุมเพื่อฟังโอวาทปาติโมกสําหรับผู้ที่เขาเห็นอริยสัจเนี่ยนะสำหรับผู้ที่เขาบรรลุมรรคผลก็มาประชุมกันฟังโอวาทจากพระพุทธเจ้าซึ่ง ผ่ารหารทั้งหลายไม่อิ่มในการฟังเลยนะเป็นผู้ที่มีผ่ารหา์ทั้งหลายเนี่ยไม่อิ่มในการฟังยินดีที่จะฟังมีความสุขในการฟังแต่คําว่าฟังในที่นี้เราต้องดูว่าฟังอะไรนะเพราะว่าสิ่งที่เป็นความสุขที่สุดของท่านคือฟังอริยสัจหรือฟังสิกขาสามของพระพุทธเจ้าท่านอยากฟังเท่านั้นอย่างอื่นท่านไม่ฟังหรอกนะท่านบอกว่าเสียเวลาท่านเสียเวลาเข้าภะละสมาบัติเข้านิโรสมาบัติเป็นต้นเนี่ยนะ ก็คือเสียเวลาเจริญวิปัสนาเสียเวลาเข้าฌานของท่านอันนั้นเป็นลักษณะของพระอรหันต์เป็นเช่นนั้นแต่ท่านมีความสุขในการฟังอริยสัจเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าแม้แต่ผู้ได้ปฏิสัมพิทาเนี่ยนะปฏิสัมพิทาแตกฌานเท่าใดก็อยู่ที่ว่าฟังมากหรือฟังน้อยมีปฏิสัมพิทาเหมือนกันอีกคนหนึ่งฟังมากอีกคนหนึ่งฟังไม่มากคนที่ฟังมากแตกฌานมากกว่าะ คนที่ฟังกับคนที่แสดงได้เนี่ยคนที่แสดงได้ก็แตกฉานมากกว่านะก็มีมีพวกปฏิสัมพิทาเองก็มีหลายระดับมันแม้กระทั่งว่าคุณธรรมคือปฏิสัมพิทาเป็นของพระอริยะเจ้าความสามารถของปฏิสัมพิทาก็แตกต่างกันไปนะเป็นเรื่องของปัญญามันพระอรหันต์เหล่านั้นจึงเป็นผู้ที่มีปัญญามันสมัยที่พระ อ, องค์ลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยนะลงจาก ไตรโทษเนี่ยนะไตรทษนั้น่ะทษเนี่ยแปลว่า10ใช่ไหมไตรแป ล, ปลว่า3แต่อธิแปลว่า33ม น, น, นมีความหมายว่า33เพราะว่าเทวดาชั้นดาวดึงเนี่ยเนี่ยเพวก3าคนเนี่ยทำบุญแล้วไปเกิดณนะที่นั้นนะบริวารของเท้าวสกกะนะเขาทตอนที่เขาทำบุญตอนสมัยเป็นมนุษย์เลยเนี่ยเขาทำบุญเนี่ยเขามีคณะของเขาในการเจริญกุศลอยู่33ท่านนะนะนั้นช้างเอราวัณทัศกิเสียน ส า, ส, สามเสียนเนี่ยก็เพราะว่าให้เทวดาเราเนี่ยเขานั่งกันทีนี้พระสุทัศนะอักรสาวกเมื่อเข้าไปเฝ้าพระนราสัพพะก็เข้าไปเฝ้าพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสาวกสี่แสนพระพุทธเจ้าก็แสดงโอวาทปาติโมกเป็นครั้งที่สามฝ่ายพระโพธิสัตว์ของเราเนี่ยนะ สมัยของพระพุทธเจ้าพระนามวาสุชาตะเนี่ยถามมานานเมื่อไรหนอเมื่อไหร่ก็ถอยหลังจากนี้ไปเมื่อสามหมื่นกับที่แล้วเมื่อสามหมื่นกับที่แล้วพระพุทธเจ้าพระนามวาสมณะโคดมพระาศาสดาของพวกเราทั้งหลายสมัยนั้นพระองค์เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเป็นจกักรพตริราชผู้ยิ่งใหญ่มีทวีปสี่เนี่ยนะปกครองแผ่นดินเนี่ย หมายเขาว่าถ้าเขาบอกว่ามีเกาะอยู่สี่เกาะเนี่ยท่านดูแลทั้งสี่เกาะหมดเลยยิ่งใหญ่ที่สุดแต่อบอกแผ่นดินเท่าไหร่เขอบอกก็เท่ า, า, า, า, ากับทะเลมันละอ้อมเท่า น, นั้นแหะเป็นพระราชาที่มีกําลังมากมีฤทธิ์มากแล้วก็ท่องเที่ยวไปในอากาศได้ด้วยด้วยหน้าของจักรนะด้วยอนุภาพของจักรทาให้พระองค์นั้นเที่ยวไปในอากาศได้ก็ถ้าเป็นสมัยใหม่ฟังบอกทเที่ยวไปในอากาศได้ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกอะไรปกติด้วยซ้ําไปนะ พระโพธิสัตว์นั้นหลังจากที่ได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าฟังธรรมจบมอบถวายราชสมบัติใหญ่ในทวีปทั้งสี่และถวายรัตนะทั้งเจ็ดแด่พระพุทธเจ้าผู้สูงสุดถวายหมดเลยเนะเรียกว่าอะไรนะในมหาบริจาคห้ารัชบริจาคะรัชปริจาคคะคือบริจาคราชสมบัตินั้นพระองค์ทำอย่างนี้กี่ครั้งนะนะ สมัยเมื่อพระพุทธเจ้าพระนามว่ากูลทัญญ า, พ ร, พ, ราพระองค์ก็เป็นพระเจ้าจักรพรรดิใช่ไหมพระองค์ก็เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระองค์ก็มอบถวายเหมือนกันในหน้าสามร้อยเจ็ดนี่ยนะพระองค์นั้นก็ได้ถวายเส้นตอนหลังพระองค์ก็ได้ออกบวชใช่ไหมในหน้าสามร้อยเจ็ดหน้าสามร้อยเก้านั้นอะกล่าวถึงว่า เพื่อจะยังประโยชน์นั้นแลให้สําเร็จจึงได้ถวายราชสมบัติอันยิ่งใหญ่แด่พระชินเจ้าครั้นถวายพระราชสมบัติอันยิ่งใหญ่แล้วก็บวชในสํานักของพระองค์เล่าเรียนพระสูตรพระวินัยนาวังฆาตศาสตร์ทั้งหมดทําพระาศาสนาของพระชินเจ้าให้งดงามนัตในชาตินี้ก็เหมือนกันพระองค์ก็ถวายราชสมบัติใหญ่ในทวีปทั้ง4และรัตนเจเป็นพุทธบูชา แล้วก็บวชในสำนักของพระองค์พวกคนวัดเ็รอกว่าจากอะไรนะปกติเนี่ยจะเป็นข้าราชบริพารเป็นเจ้าหนะ้าที่ดูแลเรื่องเรือนคลังของแผ่นดินพอพอพ อ, พอถวายรัชสมบัติทั้งหมดเป็นพุทธบูชาคนพวกนั้นก็กลายเป็นคนวัดทำงานให้วัดว่า ง, งนะั้นรวบรวมผลรายได้ในชนบทน้อมน้อมถวายปัจจัยที่นอนและที่นั่งแด่พระภิกษุสงฆ์